เหตุสเหตุกะทุกะหนึ่งกุศละถึงกะหนึ่งถึงสองกุศลากุศลบทหนึ่งถึงเจ็ปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะจตุกนายเหตุปัจใจเก้าสิบสามสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเ พ, นพราะเหตุปัจใจย่อเก้าสิบสี่ เฮตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมะณะปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงนวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระในปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระเฮตุปัจใจเก้าสิบห้า สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยย <Sig. S 2> ่อ๙๖เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอรามณปัจจัยมีหนึ่งวาระทุปปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระไม่มีเหตุุปัจจัยแม้ในปัญหาวาระทุปปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระในปัญหาวาระ ไม่มีเหตุปัจจัยแก่ทำทั้งสามนี้สอภิยกตะบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยะจตุกนายเหตุปัจจัยเก้าสิบเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งเป็นอภพยกรตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งเป็นอภพยกรตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤด อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและ ท, ท h, be hate, hate, no ี่ไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤิต เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและมีเหตุและที่ไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระย่อ98เหตุตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจใจมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึง ปุระะเรชาตปั ot, จจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีเก้าวาระวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระย่อณเหตุ ป, ปัจจัยเกสบเก้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตแุหตรรหตและไม่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤริตใช้สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะณเหตุปัจจัย ย่อหนึ mean mean an ่งรเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอารมณ์ปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระณอนันตระปัจจัยมีสามวาระณสมานันตระปัจจัยมีสามวาระณอญญมัญญปัจจัยมีสามวาระณอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีเ้าวาระณปัจจาชาตะปัจจัยมีเ้าวาระ นาอาศัยวนาปัจจัยมีห้าวาระนากรรมะปัจจัยมีสองวาระนาวิปากปัจจัยมีหวาระนาอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนามะฆะปัจจัยมีหนึ่งวาระนาสัมปยุตตปัจจัยมีสมวาระนาวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนาิปัจจัยมีสวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระ ย่อณอารมณะปัจจัยกับเพรทุปัจจัยมีสามวาระย่ออารมณะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อพึงขยายสหาชาตะวาระปัจยวาระนิจยว า, าวาระสังสัถธวาระและสัมปยุตตะวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาระ 3. อภิยากตะบท 7. ปัญหาวาระปัจยะจตุกนัย อารามณปัจใจร้อยหนึ่งสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤะโดยอารามณปัจจัยย่อร้อสองอารามณปัจใจมีสี่วาระอธิปฏิปัจใจมีสี่วาระอันันตรปัจใจมีสี่วาระสมณันตระปัจใจมีสี่วาระสหัชชาตปัจจัยมีเจดวาระ อัญญามัญญะปัจจัยมีหกวาระนิสยาปัจจัยมีเจดวาระอุปาณิสยาปัจใจมีสี่วาระปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระปัจฉาชาตะปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจใจมีสี่วาระวิปากปัจใจมีสี่วาระอาหารปัจใจมีสี่วาระอินทริยปัจใจมีสี่วาระชานะปัจใจมีสี่วาระ มัคคะปัจจัยมีสามวาระสสมยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอัติปัจจัยมีเจ็ดวาระนณทิปัจจัยมีสี่วาระวิคตะปัจจัยมีสี่วาระอวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระย่อปัญนิยุทธาระร้อยสามสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยาการิต เป็นปัจจัยแฉะสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งเป็นอภิญากฤตโดยอารมณะปัจจัยสหชาตาปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัยยอ่อรอยสี่นเหตุตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนอารมณะปัจจัยมีเจ็ดวาระย่อนเหตุตุปัจจัยกับอารมณะปัจจัยมีสี่วาระยอ่ออารมณะปัจจัยกับน้เหตุตุปปัจจัยมีสี่วาระยอ่อ พึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนินยอนุโลมมะปัจจนินยะและปัจจิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้วะเหตุเสเหตุกะทุกะและกุศลติกะจบเหตุโคชรกะจบเจดจับปัจจิญยาทุกะหนึ่งกุศลติกะหนึ่งถึงสองอุศลากุศ ล, ะะละบทหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้น ปัจยะจตุกนายเหตุปัจใจหนึ่งสภาวธรรมที่มีปัจใจปรุงแต่งซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีปัจใจปรุงแต่งซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจย่อสองเหตุปัจใจมีหนึ่งวาระอารมณะปัจใจมีหนึ่งวาระอธิปติปัจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีหนึ่งวาระย่อณอธิปติปัจัย สสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะหน้าที่ปฏิปัจจัยย่อ 4. ี่หน้าที่ปฏิปัจจัยมีหนึ่งวาระน้ปุเรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระหนปัจฉาชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระหน้าสวรรณปัจจัยมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระหนวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ นวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อพึงขยายจหชาตะวาระปัจจ ย, ว า, ยว า, าวาระนิจยวาระสังสถวาระและสัมบยุตตวาระให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาระปัจยยะจะตุกนัยเหตุตุปัจจัยาสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุตุปปใ จ, จย่ยอ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 สหัจจาวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 3. อัพยากตะบท1นถึงเปฏิเจวาระปัจจะยะจตุกนัยเหตุปัจจัย 9. สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยกฤิตอาศัยสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยกฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อ 10. เธตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ อ า, อารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อณเหตุป ouais ัจจัยมีหนึ่งวาระณอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระย่อปัจจะยะจะตุข네นัยเหตุปัจจัยเป็นต้นสิบเอดสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤต เป็นป <muitas> ัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพญากฤิเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพญากฤตโดยอารมณะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพญากฤิเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพญากฤิโดยอารมณะปัจจัย สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤิตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤิตโดยอุปาณิชยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยอุปาณิชยปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมโนปนณิชย์ย่อเฮตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ อารามณะปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสองวาระอานันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงนิสียะปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิสียะปัจจัยมีสองวาระปุเรชาติปัจจัยมีหนึ่งวาระปัจฉาชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อปเจนิยุทธาระสิบสอง สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยระมณะปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากรโดยอระมณะปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัยย่อ 13. นเหตุปัจจัยมีสองวาระ นัาอารรมณปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อนัาอารรมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่ออารรมณปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีสองวาระยอ่อสัปัจยะทุกะและกุศลติกะจบ ทุกะหนึ่งกุสลติกะสิบ ส, สภาวธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อพึ่งขย่ายให้พิจารณาเหมือนกับสัพพัจจยทุกกะสังคตะทุกกะและกุสลติกะจบ 8. ปสนิทัศนะทุกกะหนึ่งกุสลติกะหนึ่งกุสละบท หนึ่งปฏิจจวาระปัจะจะยจตุกนัยเหตุปัจใจสิบห้าสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อสิหเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอรามะณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตาวาระละถึงปัญหาวาระ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 2. อกุสลบทเหตุ ป, ปัจจัยสิเจสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ18เหตุ ป, ปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณะณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระ สหชาติวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสอภิญากตะบทเหตุปัจจัยสิเกสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อยี่สิเหตุปัจจัยมีสามวาระอรมาณปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อนเหตุปัจจัยมีสามวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสามวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระณอาหารัปัจจัยมีสามวาระละถึงโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อพึงขยายสหชาตะวาระปัจจยาวาระนิสยาวาระสังสถทวาระ และสัมปยุตตะวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาระสอภยากะตะบดเจปัญหาวาระปัจจะยะจตุกนัยเหตุปัจใจเป็นต้นยี่สิเอ็ดสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอพยากลิตเป็นปั จ, จัยแห่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอพยากลิตโดยเหตุปัจใจมีสามวาระสภาวธรรมที่เห็นได้ซึ่งเป็นอภยากฤต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤิตโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยอรมณปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นได้ซึ่งเป็นอัพยากฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาทิปติสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤิต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยกฤิโดยอุปาณิสยปัจจัยมีอย่างเดียวคือปกะตูปนิสยาสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยกฤิเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอัภยกฤิโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคือรามณูปะนิสยาอนันตรูปะนิสยาและปะกะตูปะนิสยาย่อยีสิสองเหตุปัจจัยมีสามวาระ อารามณะปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงสหชาติตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยมีสองวาระปุเรชาติปัจจัยมีสามวาระปัชชาชาติปัจจัยมีสามวาระอาสเสวะปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมะปัจจัยมีสามวาระ วิปากะปัจจัยมีสามวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสามวาระสัมปยุตต ป, ปัจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตต ป, ปัจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีห้าวาระณฐิปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระย่อสนิทัศนะทุกกะและกุศลละดึกกะจบอปัจยะอสังคตะและสนิทัศนมีไม่ได้ จะปฏิฆาทุกะหนึ่งกุศลติตะหนึ่งถึงสองกุศลากุศลบทหนึ่งปฏิเจวาระปัจจะยะจตุกนัยเหตุปัจจัยี่สิบสามสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย่ยอยี่สิบสี่เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระ ละถึงวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยม evet, so ีหนึ่งวาระย่อสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระยี่สิห้าสภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระในปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระ 3. ามอภยากตตบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยจตุกนัยเหตุปัจจัยี่สิบหสภาวธรรมที่กระทบได้ซึ่งเป็นอภยากฤิทาศัยสภาวธรรมที่กระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤิ อาศัยสภาวะธรรมที่กระทบได้ซึ่งเป็นอัพยกฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยกฤิอาศัยสภาวะธรรมที่กระทบได้ซึ่งเป็นอัภยกฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีกลาวว่าสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยกฤิอาศัยสภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอัภยกฤิเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัย่อยี่สิบเจ็ เหตุปัจจัยมีเก้าวาระอรมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระนิสัยปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิสัยปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรมมปัจจัยมีเก้าวาระวิปากปัจจัยมีเก้าวาระละถึง วิคตาปัจจใจมีกลาวาระย่อนเหตุปัจจัยี่สิบปดสภาวธรรมที่กระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่กระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัย่อยี่สิบเก้าณเหตุปัจจัยมีกลาววาระละถึงโนวิคตาปัจจัยมีกลาวาระทุกปัจจัยมีปัจใจละกล่าววาระย่อ สาอภยากตะบดเจปัญหาวาระปัจะจะยจตุกนัยเหตุปัจจัย3สสภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอภยากฤษเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอภยากฤษโดยเหตุปัจจั ย, ย่อสาสิบเอ็ดเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปั จ, จัจมีสองวาระอธิปติปั จ, จัยมีสามวาระ อนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสมานันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสะหาจาตะปัจจัยมีเก้าวาระอัญญามัญญะปัจจัยมีหวาระนิสียปัจจัยมีเ้าวาระอุปาณิสียปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจจัจฉาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระพรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระ อหารปัจจัยมีสามวาระอินทรีย์ปัจจัยมีห้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมพยุติปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุติปัจจัยมีสวาระอัติปัจจัยมีห้าวาระนัตติปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระปัจจน尼ยุทธะสามสิบสอง สภาวธรรมที่กระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากริเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากริโดยชนะชาตปัจจัยย่อสานเหตุปัจจัยมีกลาววาระนอาอรมณปัจจัยมีกลาวาระย่อนอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออรามณะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระย่อ พึงนับเหมือนอนุโลมปั จ, จนิยะอนุโลมปัจจนิยะและปั จ, จนิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลตะกะที่นับไว้แล้วสัพพติตระทุกกะและกุศลตะกะจบสิบเอ็ดรูปีทุกกะหนึ่งบุศลตะกะหนึ่งถึงสองบุศลกุศลบดหนึ่งถึงเจ็ปฏิจจวาระปัจจยะจะตุกนยัยเหตุปัจจัย 34, ส4สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อสาสิหเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอริมณปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อชาติชาติวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ36สสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยย่อสามสิบเจ็ดเหตุปัจจัยจมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อชาติชาติวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระสอัพยกตบทหนึ่งถึงเจ็ปฏิจจวาระ ปัจจะยะจตุกนัยเหตุปัจจัยและอารมณปัจใจสามสิบแปสภาวธรรมท er ี่เป็นรูปซึ่งเป็นอัพญากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปซึ่งเป็นอัพญากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็นอัพญากฤิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็นอัพญากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นรูปซึ่งเป็นอัพยากฤิ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปและที่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็นอัพยากริดเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปซึ่งเป็นอภิยากฤิเกิดขึ้นเพราะอารถมณปัจจัยย่อสามเก้หตุปัจจัยมีห้าวาระอารถมณปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระ อนันตระปัจจ <bien>? ัยมีสามวาระสมณันตระปัจจัยมีสามวาระละถึงอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระละถึงปุเรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีห้าวาระย่อสี่สิบ นัเหตุปัจจัยมีเ้าวาระนั่นอรมณปัจจัยมีสามวาระนั่อธิปติปัจจัยมีเ้าวาระละถึงนั่นปุรชาตปัจจัยมีเ้าวาระละถึงนักรรมปัจจัยมีสองวาระนัวิปากปัจจัยมีห้าวาระนัอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนัอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนั่ชานะปัจจัยมีสองวาระนัมรรคปัจจัยมีเ้าวาระ ณสัมปยุตตปัตจจัยมีสามวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อปัจนิยะจบปัจญิยะจตุกนัยเหตุปัจใจสี่สิบเอ็ดสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็นอัพยกฤิตเป็นปัจใจของสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็นอัพยกฤิตโดยเหตุปัจจัยย่อ สีเหตุปัจจัยมีสมวาระอรามณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสมวาระอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสมานันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตะปัจจัยมีเจดวาระอัญญามัญญะปัจจัยมีหวาระนิสยาปัจจัยมีเจดวาระอุปาณิสยปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระปัจฉาชาติปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาศัวณะปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมะปัจจัยมีสามวาระวิปากะปัจจัยมีสามวาระอหารปัจจัยมีสี่วาระอินทรียะปัจจัยมีหกวาระชาณะปัจจัยมีสามวาระมัรคะปัจจัยมีสามวาระสมปยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตะปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเจดวาระย่อ นเหตุปัจจัยมีเจดวาระณอานอรมณปัจจัยมีเจดวาระย่อณอานอรมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารมณปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีสองวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนิยะอนุโลมปัจจนิยะและปัจจินยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้วรูปีทุกะและกุศลติกะจก สิบสองโลกิยธุกกะหนึ่งกุศละตือกะหนึ่งกุศละบทหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจวาระเป็นต้นปัจจะยะจัตุกไนเหตุปัจใจสี่สิบสาม สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นโลคุตระซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลคุตระซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยย่อสีสิบสเหตุ ป, ปัจจัยมีสองวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระอธิปฏิปัจจัยมีสองวาระละถึงกรรมปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสองวาระยอ่ออนุโลมจบสี่ิห้า ณอธิปฏิปัจจัยมีสองวาระละถึงณอสิวะณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงนวิปวิตตปัจจัยมีสองวาระย่อพึงขยายสหชาตวาระปัจยะวาระมิเยะวาระสังสถาวาระและจำยุตวาระให้พิดารเหมือนปฏิจจวาระปัจยะจะตุกนัยเหตุปัจจัยเป็นต้นสี่สิหก สภาวธรรมที่เป็นโลกียะซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกียะซึ <S <S <S <S ่งเป็นกุศลโดยเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกียะซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกียะซึ่งเป็นกุศลโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นกุศล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 คือสหชาตาธิปติสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นกุศลโดยธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออรมนาธิปติย่อ47เหตุปัจจัยมีสองวาระอรมณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอนนตระปัจจัยมีสองวาระสมนันตระปัจจัยมีสองวาระ สหชาตปัจจัยมีสองวาระละถึงอุปนิเสยปัจจัยมีสี่วาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระรามาปัจจัยมีสองวาระอาหาราปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีสองวาร ะ, ะ, าะจจ ย, อระยออ่อ 2. อกุสลบทหนึ่งถึงเปฏิจจวาระปัจจะยะตุกรนยัยเหตุปัจจัย4ี่สปด สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อสีิบเกหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อสหาชาตาวาระและถึงปัญหาวาระเหมือนกันทุกปัจจั 3. ย 3. ามอภยกตาบท หนึ 1> 1่งถึงเจปฏจิจจวาระเป็นต้นปัจจะจตุปนัาเหตุปัจห้าสิสภาวธรรมที่เป็นโลกยะซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกยะซึ่งเป็นอัพยากฤาากกิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นโลคิยะซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลคิยะและที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อห้าสิบเอ็ดเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงเจวันะปัจจัยมีหนึ่งวาระกามปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีห้าวาระละถึง อวิคตตปัจจัยมีห้าวาระยอ่ออนุโลมจบห้าสิบสองนเหตุุปปัจจัยมีหนึ่งวาระนะอารมณปัจจัยมีสามวาระนะัธิปติปัจจัยมีสองวาระละถึงนบุเรชาตาปัจจัยมีสี่วาระนะปัจชาชาตาปัจจัยมีห้าวาระละถึงนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนะวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ น้อาหารรปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงน้มรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระน้สัมปยุตตะปัจจัยมีสามวาระน้วิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อปัจญนยะจบพึงขยายสหชาตะวาระปัจญยาวาระนิสยวาระสังสถทวาระและสัมปยุตตะวาระ ให้พิจารเหมือนปฏิจจาวาระปัจจะยะจตุกนัยเหตุปัจใจห้าสิบสามสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลคิยะซึ่งเป็นอัพยากฤิตโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นอัพยากฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นอัพยากฤิตโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อห้าสิบสี่ เหตุปัจจัยมีสี่วาระอรมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสี่วาระอนันตรัปัจจัยมีสี่วาระสหชาตปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิสียปัจจัยมีเจดวาระอุปาณิสียปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระ ธรมปัจจัยมีสวาระวิปากปัจจัยมีสี่วาระมหาราปัจจัยมีสี่วาระและถึงมัคคะปัจจัยมีสี่วาระสัมยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีเจดวาระและถึงอวิคตปัจจัยมีเจดวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจินยอนุโลมปัจจินยาและปัจจินยานุโลม แห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้วโลกิยะทุกะและกุศลติกะจบสิบสามเจเนจิวินยยธทุกะหนึ่งกุศลติกะหนึ่งกุศลบท หนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะจตุกนัยเหตุปัจใจห้าสิบห้าสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้และที่รู้ไม่ได้ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุจจหตุปัจจัยย่อห้าสิบหกเหตุปัจจใจมีกล่าวาระอรมาณปัจจใจมีกลาววาระละถึงอวิคตะปัจจใจมีกลาววาระยอ่อปั จ, จนิย ะ, ะอธิปติปัจใจห้าสิบเจ็ด สภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะในอธิปติปัจจัยย่อห้าสิบปดในอธิปติปัจจัยเก้าวาระในปุเรชาติปัจจัยเก้าวาระนปัจฉาชาติปัจจัยเก้าวาระในอาศิวะนปัจจัยเก้าวาระนกรรมะปัจจัยเก้าวาระนวิปากะปัจจัยเก้าวาระ และถึงณวิปยุตตาปัจจัยมฆาวาระย่อพึงขยายสหชาตาวาระปัจจยะวาระนิสยวาระสังสัทวาระและสัมปยุตตาวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาระปัจยะจตุกนัยเหตุตุปัจใจห้าสิบเก้าสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่จิตบังดวงรู้ได้ซึ่งเป็นกุศล โดยเหตุปัจจัยย่อ60สเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระมาทิปฏิปัจจัยมีเก้าวาระอนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมานันตระปัจจัยมีเก้าวาระและถึงกรรมปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระย่อและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระแอารมณปัจจัยมีเก้าวาระ ยอ่อณอารมณณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีกล่าววาระยอ่ออารมณณปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมีกลาววาระยอ่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนินยะอนุโลมปัจจนินยะและปัจจนินยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติ ก, กะที่นับไว้แล้วพึงขยายอากุศลและอภยากฤตที่จิตบังดวงรู้ได้ให้พิสดารเหมือนกับอุสลที่จิตบังดวงรู้ได้ เยนจีวินเยยะทุกกะและกุสละเตกกะจกจุลันตระทุกกะจก